ฟังจำต่ออีกเราก็สวดมนต์ขอขยายพระสูตรอย่าสวดมนเพื่ออ้อนมนหัวอรองอ ย, อ, นน อ, นอยากได้อานนอยากได้นนี้ให้สวดมนต์เพื่อพัฒนาตัวเองให้เกิดสติปัญญาเมือเกิดนั่งฟัง เราพระเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ได้ยินยิ่งเราคิดใส่ใจตามเอาคำสอนที่คัดออกมาจากพระสูตรแล้วก็เป็นแต่เรื่องของเราทั้งสินาาเเ้นตาลาหะเวปัญจขันธาขันทั้งหาเป็นของหนัก ขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีทุกข์เพราะโอปทานปไปยึดเอาถ่าโดยย่อโอปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ในโลกถ้าประยึดเอาเกณนพันผลละหนักพละหนักเป็นทุกข์ในโลกยึดเอาความสุขยึดเอาความทุกข์ยึดเอาความรักควาชั่ยึดเอาความดีใจเสียใจ ทุกอย่างเอามายึดของที่ไม่เที่ยงก็ยึดของที่เป็นทุกข์ก็ยึดของที่ไม่เป็นตัวเป็นตนก็ยึดถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของเราก็เลยหนักพระหริยเจ้าสลัดทิ้งแล้วไม่ยึดเอาของหนักอันดือขึ้นมาอีก วางลงแล้วอะไรเป็นสุขวางลงอะไรเป็นทุกข์วางลงอะไรมีความยืดดวยในขันหน้าวราโกดความโลภความหลงเขาว่ากับเราเขาทำกับเร า, ย, า, า, งงเ า, ายืดด้วยพอวางหล่ก็เมาไม่มีพละเรามาได้ยืดด้วยมือ ไปเจ็บแปลออกมาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์อารมณ์มันร่ายโกรเสืออันทำให้คนเสือผู้เสือคนเสือคมสมดุลจากหายใจปกติจากเลือดวิ่งปกติเลือดในร่างกายเราวิ่งตามปกติลมก็ไปตามปกติหายใจก็ปกติกลมเกลืก่อนไป ยิ่งเคลื่อนไหวอะไรต่างๆกลมเกินกับลมหายใจมันเป็นการเยี่วยวยาตัวเราเมื่อเราไม่อารมณ์ไปยึดตออะไรต่างๆมันก็ผิดเพี้ยนไปเต้นควงโกรธหัวใจมันเต้นเร็วเลือดทุกส่วนมาเลี้ยงหัวใจตรงไหนที่มันทํางานหนักเลือดจะวิ่งไปช่วยตรงนั้นให้เยี่ยวยา เ่มือเราจับอะไรบ่อยๆมันแดงขึ้นมาไม่เลียวตีลูกมันเจ็บเนื้อเหมือนเจ็บเลือดก็มาหลอเลี้ยงแดงขึ้นตรงที่รอยไม่เลียวจิตใจของเราก็เหมือนกันไปยึดอะไรตรงไหนเลยเพพาะเรื่องใจเรื่องหงยใจเนี่ยทันต่ายอารมณ์ครอบงำจิตใจ คนอื่นก็เพี่ยนได้หมดน้าสีดอาพาธเกิดขึ้นได้มันยังเป็นทุกข์ในเสือที่ตรอมาตรวเองเป็นทุกข์นะพระเจ้ามาเห็นเรื่องนี้เข้าทุกข์ภันเกิดการเจการเจ็บปันตายไม่ใช่ทุ ก, ทกข์พรความโกรธมันใหญ่กว่านี้ต่อไปถ้าเราไม่ แยกจากนี้ไปเห็นกายเป็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเห็นสุขเหนทุกข์ก็สักว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเห็นจิตที่มันปกุ้นค้นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจที่ว่าธรรมอารมณ์เบีดเอาความสุขความรักความชัง ความโกรธโลภหลงว่าเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเป็นจักรวาลธรรมแยกไปแยกไปแยกไปแยกไปไม่ร่วมเดินไปทางนั้นคนละทางเห็นแล้วไม่เป็นมันุกเห็นมันุกไม่เป็นผู้ฉกเห็นทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เหนผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดการเห็นนี่เป็นการหลุดพ้นได้ เป็นผิดเก่งพ้นจากผิดเห็นทุกเก่งพ้นจากทุกถ้าไปเป็นเรามันก็นไม่พ้นแยกไปแยกไปแยกไปพืนสภาพพื้นสภาพจากจิจเติมเดิมที่เราใช่ผิดประเภทค่อยๆคืนไปค่อยๆคืนไปเข้าสู่ธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติ ทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ไม่ทํามันก็ไม่เกิดเล่นเหล้าจิ้มข้าวธรรมชาติมันก็ต้องอิม่มการเขี่ยวทีละคําการคืนทีละนิดละหน่อยมันก็อิ่มขึ้นได้การไม่เป็นอะไรการไม่เป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นเนี่ยส่วนที่มันดีก็ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นมาในความร้อนก็เย็ยนลงเย็ยนลงเย็ยนลงในการมีพิษก็ถอนพิษถอนพิษออก เพืนสูสภาพเดิมใช้ไหจิตเดิมแท้ทุกคนมีอยู่เดี๋ยวนี้มันพัดถิน่นพัดบา้านกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดพอเรามาฝึกกมันก็เย่อหย่าเย่อย่าก็เป็นปกติเฉพาะเรื่องถ้าจะนอนก็หลั บ, ท, บทําอะไรก็เฉพาะเรื่องขวดบ้านตูบ้านทําททงานทําการเฉพาะเรื่อง มันก็เหมาะใช้การงานถ้าเราฝึกดีเหมาะใช้การทำงานท้าการจะจะทำอะไรก็เหมาะเป็นพ่อคนก็เหมาะเป็นแม่คนก็เหมาะจะเป็นครูอาจารย์คนก็ได้จะเป็นลูกศิษย์ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ทำหน้าที่อันมีหน้าที่ให้มันถูกต้องวีความเป็นแม่ไม่ถูกความเป็นแม่ โกรีลูกตอขาดทะลบะกว่วากันเต็มมานเต็มเมืองเราะไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีแต่เหตุแต่ผลเอาเหตุเอาผลมาแย่งกันเอาผิดเอาถูกมาฉีนฆ่ากันแออที่จะคนไหนผิดช่วยกัน ไม่ใช่ไปซ่อมเติมกันก็ไหนถูกก็ส่งเสริมในตัวเรานี่ก็ไม่ผิดมีถูกเหมือนกันสิ่งไหนผิดก็ควรรู้สึกตัวแก้ไขสิ่งไหนถูกก็ทําไปเรื่อยควมละความชั่วละแต่พึ่ต่พือความดีทําไปแต่พึ่งต่พื่อแล้วทุกคนตั้งต้นตรง น, นี้มันก็สงบร่มเย็นได้ประมาณทําการเป็น ป, ประโยชน์ หน้าที่ของเราก็ช่วยกันให้ความเป็นมนุษย์เสมอภาพให้หมองความเป็นมนุษย์ใครก็ไม่ต้องการทุกข์ใครก็ต้องการความสะดวกอยู่เป็นดิสระภาพอย่าบีเบียนนะกันเลยว่าเมื่อเรามา้ศึกษาเรื่องตัวเราแล้วมันก็คุบปงจรเช่นเราม้อเจริญสติเราไม่สติดูกายดูใจต้องเรา ทุกคนมีกายมีใจต่างคนต่างดูแลตัวเองกามีสติดูกายกายก็ไม่ทําชั่วกามีสติรู้จิตใจจิตใจก็ไม่คิดชั่วหากที่ดูไปก็ทําความดีมีสติเมื่าทำความดีเคยหลงก็ลูกขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนตัวเองหักตัวเองหันให้มันเป็นเคยทุกข์กับลูกหักให้เป็น บางทีมันจรมาฉ า, ายาน่ะจรมาเราก็รู้ไม่ได้เอาโกรธเป็นโกรธไม่เอาทุกข์เป็นทุกข์ไม่เอาหลงเป็นหลงเปลี่ยนมาเป็นรู้เปลี่ยนมาเป็นรูปก็ทาความดีเมื่อเปลี่ยนไล่มาเป็นดีจิตมันก็บริสุทธิ์ทุกคนทำตรงนี้กัน นทยหกสิบปวดด้านาคนเกิดดีแพี้เดียววินาทีหนึ่งหน้าชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้เราไปเกนฑมาได้พุทธศาสนาเป็นปัจเจกชนเติมต้นจากตัวคนเดียวใ ค, ใครก็มีหลงใครก็มีทุกข์ไม่ต้องไปอวดด้างกันทุกแบบไหนมีรสชาติกันทั้งนั้นใครก็เคยมีสุขสุขแบบไหน สุขที่เป็นสมมุติสุขที่ยังเอืมิตรสุขที่ไม่ยังเอืมิตรทุกมีเอื้อมิตรทําให้เกิดทุกแต่ถ้าเราฝึกดีๆแล้วมันไม่หวั่นไหวอันทุกเนี่ยเด็กขาดอย่ากร้องให้เราก็ฝึกตนสอนตอนเนี่ยหนึ่งละเราไม่บีบเบียนเราเอาเลยสองไม่บีบเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น เราทำได้เด็ดขาดไม่ต้องไปเจริครไม่เบียเบียนตัวเองอะไรเที่นไปเกิดทุกข์เกิดโทษไม่ทำเราไม่ตัวเงเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ทำเราไม่คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำจึงอื่นเดือดร้อนไม่ทำเกิดจากตัวเรา ถ้าเราทุกคนต้อง ต, อต้นตรงนี้นะต่างคนต่างไม่บเบียนตัวเองต่างคนต่างไม่บเบี่ยนคนอื่นถ้าไม่บเบี่ยนตัวเองก็ไม่บเบียนคนอื่นได้ง่ายเห็นใจกันไม่เบี่ยนคนอื่นก็ไม่บเบียนคนอื่นถ้าเรายังบี่เบียนตัวเองอยู่ก็ถือว่าบี่เบียนคนอื่นได้ไม่อายแม้แต่ความหลงก็ไม่อายความโกรธก็ไม่อาย น่าบูดน่าเบื่งใส่กันไม่รู้จักอายหน้าด้านความคิดก็ไม่อายคิดอะไรก็คิดได้หรือรู้จักอายไหมอายความคิดตัวเองไหมนอนอยู่ดีคิดเรื่องอะไรขึ้นมาทําไม่นอนไม่หลับไม่เห็นไม่รู้จักวางไม่รู้จักปล่อยคิดจนนอนไม่หลับคิดจนน้ำตาไหลคิดจน โกรธขึ้นมาเป็นอามณ์เป็นความลากความเฉดชังโดยจากความคิดของทุกคนเราจะมามีสติดูมันหัดดูมันหัดดูมันไม่ควรคิดอย่าไปคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดเก่งมากเราจะมีสติหรือเปล่าหรือว่าปล่อยตามปล่อย สํส่นตะพื้นตะเพือให้เขาไปคิดให้กิดรับใช้ความคิดความสุขความทุกข์ไม่เสือหมหงนตัวเองไม่ลักลวนสวนตัวมัน ส, สนัมสนเรือว่าโสเพในจิตจิต ส, สํสนเขาหิ้วไปไหนก็ได้แมแต่พ่อแม่มก็ ความันคิดก็มาโกรธได้สามีภรรยาโกรธได้ลูกเต้าโกรธได้พระสงฆ์เจ้าโกรธได้ฆ่ากันได้กวามคิดอะอาคิดขึ้นมากลายเป็นอารมณ์ยึดต่อแล้วจึงมาดูเนี่ยกรรมฐานเป็นที่ทั้งของการกระทํามันจําแนกไปมันจําแนกไปกรรมตัวนิ่มจําแนกไปไม่ต้องอ่อนอนทําเอา มีสติดูกายเคลื่อนไหวให้รู้อยู่นี่รู้อยู่นีหนึ่งวันถึงเจ็ดวันมาจะเกิดรอยขึ้นให้เราพิสูจน์กันตรงนี้แล้วก็เห็นจ้งโจ้งต่อหน้าต่อ ต, อตาแล้วก็ออกพระสูตรมาสาธยายพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เกิดขึ้นมาแล้วสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปีปีนี้แต่นับปริพนสองพันห้าร้อยห้าสิบสามแต่นับจากวันตัดจะลุมาเป็นผู้เจ้าสองพันห้ารอยเก้าสิบแปดปีเอาสี่สิบห้าไปบวกกับห้าสิบสามห้าสิบสามบวกกับสี่สิบห้ามันก็เป็นเก้าสิบเท่าไหร่อะ นานมาแล้วถ้าเรายังหลงอยู่มันล่าสมัยถ้ายังทุกอยู่ล่าสมัยถ้ายังโกวธอยู่เป็นคนล่าสมัยถ้าผู้ใดไม่ฝึกตนสอนตนเป็นคนล่าสมัยบ้านใดเมืองใดวัดใดไม่ฝึกไม่สอนเรื่องนี้ถือว่าล่าสมัยไม่มีประโยชน์ต่อกันและกัน เดี๋ยวนี่ศาสนาเป็นศาสนาอ้อนอนไม่ใช่ศาสนาแห่งการกระทำต้องมีการกระทำเกิดขึ้น่ามารับผิดชอบครงกานรับนึ่งอยากตัวเราคนดีอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดคือคนดีขี้ไปหาใครต้องขี้เข้ามาหาตัวเองเลยเราและเป็นคนดี ลองมาคิดจากนี่กันทุกคนดูไม่ต้องขีห้หาคนอื่นเอาเราเป็นลูกพ่อนี่แม่นี้ลูกสาวลูกชายของพ่อแม่นี้เราจะเป็นคนหนึ่งแล้วลารงมตระกูลเราเป็นสามีของพัญญาเรานี่แหละจะเป็นสามีที่ดีเรานี่แหละจะเป็นพัญญาที่ดี เหมือนลองตาไปดูพวกฮินดูเขาแต่งงานเขาจะขึ้นสู่เวทีและบางคู่เบ่าวสาวแขกไปเต็มเป็นจำนวนมากเขาจัดเวทีประดับประดาะด้วยโบโดอกไม้เขาขึ้นยืนบนเวที เราขึ้นยืนเป็าทีเจ้าเบาขึ้นไปเจ้าเสาวเอาผ้าปิดหน้าไว้โอไม่มือนิ้วเท่าหวาเท่าก็ไม่เห็นปิดหน้าไว้ผ้าดำดำปิดหน้าไว้เจ้าเบาขึ้นไปก็เปิดหน้าเปิดหน้าออกก็จูบเพียมก็ได้หน่อยคนก็หวานดอกไม้ดอกมะลิโซน โอ๋ดอกไม่ใส่เจ้าบาวก็มาจับไม่พุทาพระพเจ้าจะเป็นสามีที่ดีของภรรยาข้าพเจ้าจะมีภรรยาคนเดียวเท่านี้พระพเจ้าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกโอพูดขึ้น ประชาชนแขกที่ไปบานหลองไม้ร้องบวยไปโวยไปโวยไปยปยไปเร า, อ, า อ, ออกมาเจ้าสาวไปจับใหม่พูดขึ้นแก้วพเจ้าจะเป็นพันยาที่ดีของสามีแก้วเจ้าจะมีสามีคนเดียวเพียงเท่านี้แก้วพเจ้าจะเป็นแม่ที่ดีของลูก คนแขกแปลกหวานหลงไม้หลงแสงเอ้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่ทอดไมาทิ้งกันสัญญากันต่อหน้าต่อตาประชาชนเต็มบ้านเต็มเมือง น, นี่คือสัจจะความจริงใจประพฤติอย่างใดต้องทำได้จริงมันก็มีอยู่ที่ก่อนเราแนวมันล่มเหลวทำไมบ่ให้ รักๆเกลียดๆชังกันทั้งวันให้มันมั่นคงเราจะแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขเห็นต่ากันนี่ได้สวรรค์ได้ น, นิพพานสามีเห็นหน้าพันยาสามีได้ น, นิพพานเย็นใจพันยาเห็นหน้าสามียเย็นใจสามาได้ น, นิพพาน มันมีผลเราก็มีเป็นสัตว์สังคมมีสามีปัญญาลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องบ้านประเทศชาติของเราเพนคนดีเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนค่รเราจะไม่เปลี่ยนตัวเองเนยทำลงไปทำได้ขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่สุกโตเนี่ยร่วมกันเธอพวกเรา แล้วก็ทำงานแล้วก็พิ่งกันได้ยิงพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เสียถูกใช่ไหมนี่เป็นหมอหมอฝันนั่นนะจนแต่แพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์นะหลวงตาลอดตายมาก็ไป ม, มีพวกหมอเนี่ยหลวงตาเห็นพยาบาลเหมือนเทพธิดาเลยเห็นหมอเหมือนเทพปุะภูเลยเอาชีวิตเราเึินมามันไม่มีประโยชน์จริงๆนะ รมรู้ที่ท่านเรียนมาสำเร็จประโยชน์ได้ประโยชน์หลุงตาได้ประโยชน์ว่าแม่ส่งลูกสาวลูกชายเรียนแพทย์เรียนหมอมาพวกเขาเออกสติปัญญามาช่วยเราแรวาหายใจไม่ได้ ล, ลูกมะเร็งตันคอหลอดลงตายไปแล้วหมอออกเคินมาเราก็รู้เรื่องหยกเรื่อง ย, องยา สั่งมาจากสารตรอนะขณะที่อยู่ในห้องวิอย่เด็ดขาดไปเลยหลงเพื่อความเขียนป่วยเป็นโรค ก, ก้อนเนื้อในตับยังไม่มีอย่ารักษาเลยพ อ, อเขาอ่านให้ฟังเราก็ฟังเราก็ไม่เดือดร้อน โรคบังอย่างรักษาได้โรคบังอย่างรักษาไม่ได้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทำใหญ่ไม่ไกลัวตายแล้วก็ก็หลังหลวงพิบาลจุฬาแปกไปอีกที่เป็นเป็นก็อนเนื้อในตับมันขยายเตรียวก้อนเนื้อโตเร็วลําคอมันเป็นโรคต่อมน้ําเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วในลําคอ มันตอนคอหายใจไมาได้ไปชูตะอนเออถ้ า, างั้นรักษาได้ให้คีดจีโมูตัวหม่ให้หลวงพ่อโดยด่ว น, วนเพื่อจะกัดคอ น, นุ่ให้มันจุบให้หลวงพ่อหายใจได้ถ้าไปเจ้าไปเสียดวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นปฏิเสธทุกอย่างให้คีดจีโมูเข้าไปโดยดว่วนเราก็มีความรู้แบน รอดตายมานี่ประโยชน์จริงๆคนเรานะมีวิชาความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้แล้วก็เราก็อยู่ในชีวิตเราไม่มือห้านิ้วมือห้านิ้วสิบนิ้วเอามาทำอย่างนี้มายกมือไหว้กันจะไปทำอย่างนี้มันผิดยกมือไหว้กันจิตใจก็คิดไปด้วยผู้ชึงใดเมตตาออกหน้าก็น่าออกหน้าออ ตามเชิงใดพูดเชิงใดคิดเึงไ ด, ด, งไ ด, ด, งได้อย่าไปคิดแบบคนนี้เราเกลียดคนนี้เราชังมันพิษมองกันแบบเพื่อนเกิดเจ็บเจบตายแนละ้วไม่มีใครวิเศษใหญก็ไม่เป็นใหญ่ในชีวิตเนี่ยนปะ้องกันมันไม่ได้วันนี้ก็เจ็บอีกแล้วนั้นก็ไหลไปตามเร็วมามาช่วยกันนะ ให้เป็นรอยเอาวว้รอยความดีของเราเหมือนวัดเนี่ยไม่ใช่ของหลวงตาไม่ใช่ของพระเป็นโมดุก ข, ของหลวงบ้านพ่อของเราพ่อของเราคือพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีแบบนี้ไม่มีเพศแบบนี้ไม่มีไม่คีแบบนี้พ่อคือพระเจ้ามาบ้านพ่อเราให้มันเป็นของเรา มาอยู่ด้วยกันประเทศไทยที่มาต้องเช่าเข้ามาต้องซื้อช่วยกันตามอัตภาพมาฝึกลองดูมาพิาพสูจน์ลงดูอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อหลองตาหลวงตาไม่แต่สอนให้ยกมือสร้างจังหวะตามแบบพระเจ้าสอนพระเจ้าสอนทุกอย ไอ้วันพุทธเจ้าตัดชลูกพุทธเจ้าทำแบบใดใช่กาเนิดหรือเป็นกษัตริย์หรือเเจ้าว่าชายหรือไม่ใช่สามัญชนในจิเรตัญหาไม่ความโกรธความโลภความหลงยังห่วงพิมพายังห่วงลาหวหน์ยังคิดถึงประชาสามรดูยังคิดถึงเสาโตนงคานํานันในยังคิดถึงเพลิดทรัพย์สิ่นสดึงขานทั้งหลาย โกรธก็เป็นโกรธนี่ปัญจวชีก็เป็ น, ปปนขณะที่ อ, อกบวชแล้วนั่นไม่ใช่เราต้องมาเป็นเรื่องของกิจวิธีเพก่กิจทำไมกิจมันจับไม่ได้ขนฉลาดไม่โจน่ายหาทางเอา้าใจเพื่ึกิจจะทำอะไรเอากายเป็นหลักซะก่อนเอากายเป็นฐาน ในพระสูตรบื้องตน้นบอกการคู่แขนเข้ามีสติตอนคู่แขนเข้ามีสติการเหยียดแขนออกมีสติให้ลูกอยู่เนี่ยทำอย่าเงี้ยให้ลูกไปแล้ววางลูกการคู่แขนเข้าระหว่างลูกการเหยียดแขนออกมันไม่ใช่สติธรรมะมันค่อยๆเคยคุ้นชิดก็หยุดหลงหยุดหลงหยุดหลงมารวมกันที่นี่เข้ารวมกันที่ หนึ่งชั่วโมองโดยเฉพาะรูปแบบกรรมฐานนะสิบสีจังหวะจังหวะหนึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ไม่ใช่ไปคิดรู้นะให้สัมผัสสัมผัสเอาไม่ใช่ไปคิดเอาท่องจำเอาเอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวมาเคลื่อนที่เลย หนึ่งลูสองลูสามลูสี่ลูห้าลูหกลูเจ็ดลูแปดลูก้าลูสิบลูสิบเอ็ดลูสิบสองลูสิบสามลูสิบสี่ลูเอ้าสิบสี่วินาทีไปไม่หนีไปไหนไม่ได้คิดถึงพี่บาแล้วไม่คิดถึงเราหมนมาลูตัวเองนะตัวเองสิบสี่วินาที รู้ไปรู้ไปลู้ไปชั่วโมงหนึ่งสามพันหรอยวินาทีอาจจะรู้ถึงสามพันหรอยโลมันจะมากรู้มากรู้มากรู้มันก็มีภาวะที่รู้ภาวะที่หลงเท่นี้เองเดิมต้นชีวิตเรามันหลงมากหรือมันรู้มากดูแลตัวเองดูสมรวจดูชีวิต ของเราที่มีมาถึงวันนี้ระหว่างความรู้สึกตัวระหว่างความหลงตัวอันไหนมันมากกว่ากันมีความเป็นธรรมตัวตัวยางมาความหลงมันเป็นยังไงความรู้เป็นยังไงสัมผัสตัวถ้าหลงก็เป็นอย่างนี้ถ้ารู้เป็นไงถ้าหลงก็คว่ำไวปิดถ้ารู้ก็หายออกรู้เปิดนั้นจะเปิดตัวยางออกมา นการสอนตัวเองการยันรู้หรือว่าภาวนาไม่ใช่หมาท่องพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่เป็นภาษาพูดเป็นภาษาสัมผัสรู้จักตัวอันภาวะที่รู้ที่ตื่นเนี่ยมันออกจากความหลงหลงไม่ถูกต้องรู้ถูกต้องขวัวเมื่อคนตื่นหลงไม่เป็นธรรม ความรู้เป็นธรรมตัวเราความโกรธไม่เป็นธรรมความรู้เป็นธรรมที่สุดหรอความทุกข์ไม่เป็นธรรมควมรู้สึกตัวเป็นธรรมกามันก็รู้จับช่วยตัวเองออกมาช่วยตัวเองมาจกว่าถอนออกมาหวางออกมาแต่ก่อนเรายืดไว้เหมืนเราหวางลองอเราโบกขึ้นมาก็เห็นกระแสเห็นกระแ ส, เ ห, ะ เ, สเหมือนเห็นทาง ที่แรกอาจจะลิบปลีลิบปลีอยู่ที่ไหนหมกมุ่นคนคิดอยู่ในดงแห่งความคิดว่ลูกเช้าหน่อยก็เป็นกระแสแน่อนอนเหมือนแสงสว่าออกมาออกมาแสงสว่างน้อยๆนัน่นแหะมันจะเป็นทางออกไปจะพบทางออกไปช่วยตัวเองนะ่ะแล้วมันหลงก็ลูกก็ไม่อยู่ ในความหลงในความโลภไม่อยู่ในความทุกข์ในความลภไมาอยู่ในความโกรธในความรู้สึกตัวมาอยู่อะไรก็ตามภาวะที่รู้เนี่ยเป็นโพธิถ้วยมนุษย์ให้พ้นจากพิษภัยต่างๆจึงมารมเอามาทมเอาหรือว่ากรรมมาทานานำมันมีอยู่อย่างนี้มาพิสูจน์อเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องรอเอามือวางหัวเข่าดูอาจารย์เราเชีข้องสอนแล้วเดีมืมออยู่ที่ไหนเราก็รู้เอาวางดูวางดูว่างดูมีเข่าไหมมีขาไหมมีมือไหมไหนมือข้างขวายกขึ้นดูสิข้างขวากำมือดูสิมืขอข้างขวายู่ที่ไหนฮะถามใครไหม มีคำถามไหมมือขวเราอยู่ที่ไหนถามไหมไม่มีคำถามใครเป็นคนลูกเราเป็นคนลูกขอบคนวางลงให้รูปแบบนี้นะเอามอวาวังไว้บนเขา่าเดี๋ยวมือของท่านอยู่ที่ไหนตอบพระเองหรือ ว, ว่าถามค่ะหลวงตามือผมอยู่ที่ไหนต้องถามหลวงตาไหมถามไป่ะไม่มีคำถามถ้าจะทําไม่มีคําถามไม่จะคําตอบ เราต้องตอบเองเราต้องตอบเองนะแต่แข่งมูอข้างขวาตังมาแต่แข่งแล้วหรือยังเห็นไหยหลวงตาว่ามือข้างขวาท่านยังไม่ตะแข่งนะค่วงอยู่เชื่อไหมฮะต่างเชื่อหลวงตาหรือเชื่อตัวเองนะนี่คือจรจัดธรรยกขึ้ื่นดูนะ รูอยู่ที่มือวางลงหน้าท้องรูอยู่ที่นี่ตะแคงมือข้างซ้ายรูยกขื่อนรูที่นี้เอามาอกบมือข้างขวาเนี่ยมันอยู่ไหนมือเราเลื่อนมาอข้างขวาเหนือข้างซ้ายหน่อยนาะงรูนะเคลื่อนที่ใดรูที่นั้นรูไปกับมือเอามือเป็นนิมิตวางลงพ่้นลง ยกมือข้างซ้ายขึ้นมาหน่อยนะไม่ต้องยกถึงหน้า อ, อกผู้หญิงไม่มีหน้า อ, อกเดี๋ยวไปยกขึ้นหน้า อ, อกของมือเนาะเอาไปข้างข้างออกไปยรงองลงรู้สึกเพิ่มลงรู้สึกเเมื่อกี้ไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดอยู่ที่หรือไ้กลับไปอยู่บ้านอยู่นี่อยู่ที่มือยู่รงรู อยู่ที่นี่อยู่ที่อย่านี้ไปจากนี่อย่านี้ไปจากนี่พระเจ้าว่านี่เราจะไม่หนีจากที่นี่แม่เลือด เ, อเงื่อเงอเอ็นจะกรุกแกผัพังก็ตามเราจับไม่หนีจากที่นี่ไม่หนีจากโพธิเนี่ยคือโพธิคือสติปัญญาลู่ทุกตัวไม่ต้องรอนะพลิกขึ้นลู่ทันทีไม่ต้องรอเหมือนกับปลูกข้าวปลูกข้าวต้องปีหนึง่งครึ่งปีจึงค่อยได้กิน บุคติลู่ทันตีแบ็บเดียวเป็นปัจจตังปัจจตังเบิดคิดถูวิญญาณิติเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งวิทยาศาสตร์อีกที่สุดได้ยกขึ้นก็โล่นะมาเนี่ก็โล่ไม่ต้องรอกทำมานี่ไปลู่ผู้เนี่ไม่ใช่มันเดินมันต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเดี๋ยวนี่มันก็มีที่เนี่ยมันทําได้พราะธรรมพระพู้ทธมีพระเจ้าตัดไปดีแล้ว ที่สุดไม่โตไม่ได้ตัดออกไปได้รู้ศึกษาปฏิบัติต้องทำด้วยตนเองใครก็เอามาทำด้วยตนเองให้ทำแทนกันไม่ได้จะรักพ่อรักแม่รักลูกรักเมียช่วยกันไม่ได้ถ้าจะทำเป็นอย่างนี้ทำเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการความรู้สึกตัวไม่มีเวลาไม่มีการเวลา อยากลู้เวลาไหนก็ได้ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่จำกัดการลู้ขึ้นา่าเอฮีปฏิโกนะน้องมาเสแล้วโอเปะนะไกประกาศให้คนอื่นลู้ว่ามาทำนี่มาทำนี่มาดูนี่มาดูนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้อย่างเจริงในธรรมที่คนลูกคนเห็นตามทุกวันวเจ้ผู้ปฏิบัติ คนขยันรู้มากก็ได้รู้ว่าคนไม่ขยันรู้ก็ไม่ได้รู้จริงจังตรงนี้ชั่หน่อยเถอะพิสูจน์ ด, ดูหลังตาก็พูดให้ฟังอย่ามาเชื่อหลงตาให้ทําดูก่อนมันเป็นยังไงสองประตูความหลงความรู้มันต่างกันไหมมันจะเจอระหว่างหลงระหว่างรู้สองประตูนี่ มันหลงลูกขึ้นมามันหลงที่ไหนรูกขึ้นมาหลงลอยข้างกว่านนรู้มันลอยข้างกว่านนมันจะเกิดอะไรขึ้นพิสูจน์ต้องนี้กันนี่พูดให้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบการกระทำของพวกเราพวกเราก็ยินดีมากๆไม่ต้องไปคิดอะไรอยู่ที่นี่ก็ให้เป็นญาติเปมิตรกันเป็นเพื่อนกันยินดีมากๆเหมือนวัดนี่มีค่า ขึ้นมาเพื่อมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไมต่ต้องหนีไปไหนบ้านเราเมืองเราหลังต่อไปสอนธรรมที่ประเทศจีนกับจาโนอดเขานั่งรถไฟมาปฏิบัติธรรมสี่วันคนจีนนะนั่งรถไฟมาปฏิบัติธรรมไปอยู่เสียงให้เขานั่งรถไฟมาจากโน่นเลยปกักจีงไปนะติดเหนือนน จากเชียงให้มันเป็นเมืองท่าทางทิศเหนือตอนใต้ตอนล่างของภาคตะวันออกแล้วก็นั่งจากรถไฟมาจากเหนือสุดมาถึงเชียงให้สี่วันโดยที่มาปฏิบัติธรรมหนาวๆศูนลบหองศาเขายังเดินจุกกลมตากหนาวได้แม่น่าศรัทธามากพวกเราคนไทย ถ้าคนไทยไม่บรรลุธรรมไม่มีคนไหนนอกจากคนจีนเดี๋ยวนี้สุกโตจะไปสอนธรรมะที่เมืองจีนแบบนี้สามเดือนไปข้างหน้าสามเดือนไปข้างหน้าหลายคนที่พูดเรงนี้กันแม่จตุนตาไปสอนธรรมที่สาราเรก็ยังบอกเลยอย่าสอนแบบเพื่นนะ ห ล, ลังมันบอกไม่ต้องสอนเราพาเราทำเขาไม่เชื่อจะมาสอนแบบหลงตาโูอยู่นีพาทำไรให้สอนแบบหลงพ่อเทียนแบบอื่ยนยาเอามาสอนแน่หลงพ่อเทียนนังสอนแบบนหลงพ่อเทียนสอนแบบเอาแบบัเดิมๆพระเจ้าก็บอกการคู่เขียนเท่าในจิติ อ่านเข้าฉันเข้ามีสติอเานแยกฉันออกมีติเนี่ยทําอยู่เนี่ ย, ยถ้าทําจริงนะพระเจ้าทำเคืนเดียวถ้ารูโต้เนื่องโต้เนื่องโต้เนื่องโต้เนื่องตต้เนื่องเราก็มันทํา ไ, งนนนได้จะกินยังไงจะนอนไหนไม่ต้องคิดจะกินยังไงไม่ขีดคิดให้ได้ไหมจะให้กินเลยรวันนี้มีไหมฮะมีไหม อาหารกินไหมอิ่มไหมรับรองนะถ้าอาหไม่อิ่มเะไม่ได้นะยช่วยกันไหมแม่ชีแม่ลองทานปรุงอาหารมีน้ําใจนะใจดีๆอมยิ้มตำน้ําพริกอย่าหน้าปูดหนเบิ่อนะปรุงอาหารเหมือนกับแม่ปรุงอาหารให้หลูกกินเรามันเป็นแม่แม่ครัว แม่อาหารเนี่ยอ้าวก็สมควรเจรจา